เพราะนี่พวกจากตุมมหาราตตาวติงสาญามา่าดูสิตนิมมารัตีเวละนี้มีตวัสสวรรต์พวกนี้มีพระสวสดาบันมีพระสักขาข่ามีปุอ ย, ย, ยู่พวกนี้พวกโลกียาก็มี พระวัสดิ a w a เอกภพขี้โกรัโกระสตะกขัดตุป harma ก็ดีพระสักขะธาข้านี่ก็ดีกระปุลอยู่กระพวกนี้พวกที่มีอันนี้สงสารนวนๆก็ลงมาเกิดเป็นห่งเป็นแห่งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นม้าเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นข้นหูหนวกตาบอดเหล่าแต่วุภะกามสากลก่อนที่มันเสพอยู่บางคนก็เป็นมนุษย์ต่อไปอีก นอกจากพระสวดาบันก็พระธัคขามี่เนี่ยกันเรื่องนั้นเป็นโล ก, กีวัตรปนกันยุ่นี่คือมนุษย์โลกเข้าเนี่ยแหละพระทัคขามี่ก็ปนกันยุ่นี่พวกผู้คนปนทุกแล้วก็ปนกันยุ่นี่พวกเป็นพระอนณาคัมมี่ก็ปนกันยุ่นี่ส่วนลูกกา ย, ยานั่นลูกกายหน้ากายส่วนจิตใจของมักคือกัน สออ่วนอวิหะตะปาสุตาสุตเชียก็นิจตะการนี่แต่พระอาาค้ามีหลวนดพระอาณาค้ามีหาจาพวกจัญชลาปรีณิพ่ายี่อุปหาจจาปรีณิพ่ายี่ยสังสังขารปรีณิพ่าเยี่อสังขารปรีณิพ่ายี่อุตตั้งตัวนี่หาจาพวกแต่ละจาพวกต่างหลายหลายผูกขาดจองขาดอวิหะตะปาสุตสาสุตเี มีพวกผู้ทุ่นค้นข้นหาไปปนเหมือนดังพุ่มสุ่มตันตำเนี่ยเขานี่ยซ้อนพุ่มซุ่มอาคาษาัญจายตนาวินญาัญจายตนาอาจินัญญ า, ายตนาตนี่คืสัญญาณนาสัญญายาตนะอันนั้นเป็นพุ่มพวกกลื่อสีปฏิบัติแต่ว่าเขาขังเคียงกัน ก็พอพุทธศ า, าสนาสกเขากันเขาได้พวกนันแต่ว่าหังพวกนั้นพิจ้านาวิปัสนาต่างกันบ่ใดพี่เจ้า น, นาอนัตตาพิ่เจ้านาจะถูกขังกับอนิจจังได้อยู่สัต์อยู่แต่ห่างย่างมหันมีงานเวอร์นายแต่หังนักไม่ทั้ง เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ออากาศหาที่สุดมีได้อากาศหาที่สุดมีได้วิญญาณหาที่สุดมีได้วิญญาณหาที่สุดมีได้วริยกรรมยุ่งสัตว์ผมอยู่กับเวงขึ้นพวกเนี่ย อ, อันนี้สงอันนันไปยุคขุ่นมันก็ะแปดมือซีพันกับโภลันเป็นโรคกีอยน่ะโรคกีนะลกก้วนๆพวกเนี่ย ม่อันนี้สงกับโลคมาเอ็กซ์กันเพราะเพราะพวกนั้นเหลื่อมสพระพุทธศาสนาอยู่ดอกท่างเหลื่อมสยหังยังมะทาเน็ปตปฏิญญานตนถึงรพระกุณพระธรรมพระสงฆ์เนนอนเพราะยังเสื่อหลักทิของโตว่ามันเป็นทางพระนิพพานอยู่ยังปะยชน์ปัญยา ย, ย่ พระโสดาบันแม่พระองค์เจ้ากุฎีนั่งอุตมา ก, ก็ดีนั่งซิลิมา ก, ก็ดีพวกบันหน้าลั่นท่าข้ามพวกนี้ไปกองด้วยนี่แ่ะไปกรองดูสันลูซิปไปกรองดูผ่าสันลูซิปบ้าง นี่ญญมาแวตีบ้างปะเดนมีติปะเดนนี่มีตะวะสวตสีบ้างดาวดึงบ้างยาตูมหาราชบ้างปนกันอยู่พวกนี้ตามกํากลังสร้างเขาไฟเขาแมนพวกโลกีกับโล ก, กีร้วนๆก็มีอยู่ นี่ปัญหาสพดเขมาว่าพระอินทรั้งพระโสดาบันแล้วหรือไม่ผู้มพระอินยังไม่ทันถึงพระโสดาบันพระอานิสงส์ผ้ามูเห็ดขนถอกขนท่างอานิสงส์ขุดน้าบอกอซาลาไม่วัตบรรจุในมนุษย์โลกเป็นหัวหน้ามูอหัวตามูอผ้าสางน้ำทําบุญในทางโลกกี่แต่ยังไ่ทันถึงพระโสดาบันพวกนี้อันใดบางพระองค์ เทวดาวนี่สวรรค์ น, นี่เมื่อพระพุทธเจ้าองค์หนาประเทศโตูดชนะแล้วก็มาร่วมฟั่งกันได้สันดาวดึงปทัทุกศีลอาศร์มัธ ล, ละบางท่งค้นกระึงพระสกทาข้ามีบางค่้นกระทึงพระอาณาข้ามีบางท่งบางค้นกระึงพระอาหารหันต์บางท่งบางค้นกรึง ถึงพระสสดิบาลันซุน้มอพวกปุตตะส้นนะอันนี้พระสวสดาบันบางจําพวกกันออกพิฆี่ผู้เกิดอีกพวบเดียวนะแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรคสวรรค์แหละบางองค์เลยไปเกิดในสวงสวรรค์อพาะพวกพุทธเจ้าองค์หนาเขาเลยไปเลยเป็นพระอรหันต์ไปเลยในสันติมี เพราะได้เกิดชาตเดียวสาติเดียวนับชาติไหนตายจากมนุษย์ไปเลวเป็นโอก ร, ราษทีกาไปเกิดไดวสวรรค์ น, นอันี้พวกโกร่างโกละกับปลับมาอยู่ในมนุษย์นี่ยสกกันโกร่างโกละบางจาพวกเป็นพระเจ้าดาวันในมนุษย์แล้วก็ไปเกิด ในเทวโลกออกจากเทวโลกโลกก็มามนุษย์ออกจากมนุษย์ไปไปก้าวขึ้นไปจำเจนียรตั้งหันในเทวโลกก็มีอย่างบางจำพวกได้พระเสอดอุรังคโลนได้พระเสอดาบันในเทวโลกเมื่ออายุไขลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ออกกำลังมนุษยไปเทวโลกเมื่ออนอยุขย ใ, ในเทวโลกมาในมนุษย์อีกเดวก็สําเร็จพาาระรหัน์ในมนุษย์ก็มีพวกสตกัตว์คตถุปรมะเนะนี่ยเมเนนนอนคือกันบางที่ไปสําเร็จพาาระรหัน์ในเทวโลกก็มีบางที่กลับไปกลับมาจนถึงเกศศาสฐามามาที่ยันติว่ถือเอาตัวที่เปรี มาเกิดในมนุษย์โลกว่าสำเร็จพลัรหันในมนุษย์โลกเธอเก็บศาสตรแต่ศาสตร์กามีบริเนอ น, นอได้คำว่าอาธามามาที่ยันตีบ่ถืออภพที่แปดเท่านั้นพระสักขะทามีหน่งมีจําพวกเดียวเท่านั้นไม่มีหลายจําพวกจําพวกเดียวหนึน่งขอมีหลายบุคคลอยู่ได้หันานึ่งแต่มันบุคคลเดียวเรื่องอะ ถ้ได้จำพวกจาพวกนี่ส่วนพระอหันที่ผู้ศึาวิปัสสโกเทเวชวิชระเพนโยปฏิสัมเบสะปโตผู้เป็นสำเร็จพระอหันต์ในอวิหาอัตปาสุตสาสุสียกันทตกากามี บอกสุขาพิัฒนโกเจริเนในพัชนาล้วนไปสังเลี้ยย่ในเทวโลกก็มีแต่บอกข้นทั้งพม่มมาลูกอวิหนตปา ส, า, ส า, สาสุสีสีว่าไปุ่นเพราะมันพุ่มฮองเพลินบพรมันหนาที่ของเพลินบพมันหลอกของเพลินเอพูดที่เจ้าประเทศแต่ละั้งละข้างนี่ สำเร็จมาผลนในพลานทาันโกรธเท่านี้โกรธนะก็หมายนับแต่พระโสดาบันเิปัญหาพระทหันบริไม้นับตั้งแต่พระทหัเข้ามามักผลกับหมายถึงพระโสดาบันเป็นต้นไปพระีิบัขมากไม่ไม่ก็ดี ปัจจัยยี่นี่ก็ยังในบริกรรมเนี่บริกรรมพ่อวนนานาบริกรรมพ่อวา น, นาพร้อม ก, กับปจัจจัยเริ่มเมื่อยไปหมดแล้วบินทะบาทเมือ่อยบริกรรมพร้อมกันไปเนมีมีเทระมันหลักหนีดึงมากมันหักของมันหรอกนอน น, นี่กว่าศิลั์มันกระตองพี่แก น, นาพอนนาอวานา มันรูดไปมันก็ดึงของมันมาเองมันผสมไม่เวลาที่รุดใบรูดไปแล้วก็เป็นเรื่องแล้วใบเอ้ยรุดใบแล้วเลยยอดของมันถอดบุหันมันมันเนียวายจรงจังมันต้องหาอุบายดึงของมันมาอยอะหะล่ะมัมันยอดหนึ่งก็ยอดหนึ่งสใจมันนักเปล่ะ ไปฟังเทศหลวงปูมันพ้นเทศยังหงจับมดัดพ้นเทศด้วยใบเนี่ยได้หงจับหงจับพร้อมเขาลงเขาลงออกพอไปฟังเทศเพือ่อนก็กำหนดกรรฐานอย่าฟังรถเมื่อได้ทรงนำคำเทศเพือ่อนเอาไว้หันเป็นคนฟังรถ แต่หังสรงหังโมสรงหังนยิ่พงพร้ อ, ก อ, อ, หหอมอกนันท้กนเทศผมมีอะไรก่อนอะไรหลังของปู่มหาเพื่อนการใชไปฟังเทศเพินละแต่ของเคยพี่เจ้านยูนนนยน่อันะไรกัพี่จ้นายยออันนั้นถือก็้ก้มกระสงพินละเพลินาฟังเทศปิน่น เราคุ้นรานว่าเคุ้นไปฟังเทศหลวงปู่ฝันผมลรเข้าคิดเม็ดอ่อนซ่อน่ฟังเทศเพิรนดาสั่นแล้วกาบเลี้ยงในเพิรฟังเพิร์ ว, รรว่าสมาธิหัวต่อสมาธิบ่มีฝันเงาเพิรมาที่ผมห <c oughs> ลวงปู่ฝันเลยนะสมาธิหวัวต่อสมาธิบ่มีเง า, าสัมผหยุดน เขาเกณฑ์วุฒิยินเสียงเพาะฉะั้นเสียงประเทศอ่ะสามารถที่วัาต่อสายข้างเห่าเพราะฉะนั้นสามารถที่สั้นจะเกิดไปเกิดสั้นอ่ชัยี่สัตวพราฉะนั้ชั้นยี่สัดว์อ่ายข้าห่นจายข้าวเหสั้นวไดิยินหูนะงูวได้ยิน ตอนเป็นโล ก, กีโล ก, กุตตะมงกขแล้วแต่ปัญญาอันน้วด้าปัญญาของพัยงวันนงานปัจจัยซีเม่นมีกระเพาะพิษสูสงแต่เฉพาะอยู่ในมนุษย์โลก งานที่เกี่ยวของก็ปัดใ จ, จซีส่วนพวกไปสวรรค์แล้วเขาเจ้าะกัไปเสวยของทิพย์พวกงานมุมีใชแล้วพวกไปพุ่มาโลกเพิ่นกัไปยู่โดยปีติการพระวนาของคนต่อมันเป็นกายทิพย์เด้หนุ่ปพุ่มเป็นกายทิพย์เด้จักเป็นทิพย์อยู่ทิพย์แบ่งเป็นสอง พวกพ ร, no liebe, ร acceso, er ะอานาคามี่เป็นทิพย์พวกพระอริยาเจ้าเป็นทิพย์ที่โบเอิงอามิตรเลยพวกโลกีเป็นทิพย์ที่อิงอามิตรเป็นของทิพย์ที่อิงอามิตรเช่นพวกไหายท่านบ่ารักษาชิ้นบ่าพภาวานาบ่า เวลาทีตายมาแล้วลึกถึงท่านถึงสินเพื่อ ห, หน้าตัวลวก็ไปสวันพวกนี้กับนีกิฟทุระแล้วหอยดอกใหม่เล้ยเก็บดอกใหม่มีกิฟทรุระตื่นขึ้นมากกับไบบูชาพระธาตุธาตุเจดเจียวจุจลมณีติณน้าหานยั่งยุคุณไปไวายพระศิริเมตไตรอไปไวายธาดเจดเจ้าวจุลมณีพร้อมพระศิริเมตไตรอยู่ประจเสาประจำเาอยู่ตื่นขึ้นมา เทวดาเมีขอวัดจึงึ้นว่าแต่ลึกเกียมเอาดอกเมียไม่ทิพย์ไปบูชาถาเจ็๊แก้วจุลมะนีกระพริยมามตไตมีบริวารเจ็ดแสนโกดพัชริยมามตไตไปประจำวันประจวันแต่ละวันละวันเนี่ดอกมณฑาพอดีกว่าเพียงเอ๋นี่ใไม่สวงสวัน่ะ นี่พระ อ, อินมีทุละอยู่ไหนทํำละสาสางถอยค่วมอยู่ไปจําวันเนี่ยเพราะเทวดาพวกนี้มันยังมีโลภอยู่ดิมันยังมีขีโลภอยู่โลภอสมบัติของกันเมื่อมปนลักเถือเป็นท้องตัว กันเถือนม่ท้องตัวหนึ่งเขามันนั่งใกลค้ค้นใกล้กันหนึ่งมันเกิดในฮัตธบัตโต อ, อันไหนจังเอาใชมันอยู่ในบริเวณวีมานท้องตัวหนึ่นเมื่อเวลามา่อประซุมก็พระ อ, อินทร์นั่นขลาบอันไร น, น, น, นมันเกิดขึ้นในตักกัพร้องจังเอาตัวล่างมันเกิดเจ้ว่าถับค่าสิยาจิไปเอาฉัชวนลาบ ของทิพย์มันเกิดขึ้นในบริเวณทั้งโถงย่ามยู่ในวิมานบร้มารประสุ่มกันอันนั้นอยู่ในเขียทั้งฟ้าทั้งวันบวกวนเป็นยากกันบนหลังคองันพระอินทร์ชำัะสาสามอยู่เทวดาองค์ใดขี่โลภลายขี่โกดลาย ที่ลงร้ายแต่ได้ลงมาเกิดในมนุษย์โลกหรือสัตว์ีระชานงายอันยุบมยืน่นในหนังสือบอกสักปัญหาการปัญหางานของมูเฮ้ามันก็ะคอยสืยมมดไปยืดอก ข้ S <S <an> าของวัด้หวังมักไงไฟสูงว่าสีเข็ดข่วงให้่วงทอผู้ทอเขาอย่างเลาะซับมามีหลายพระไดกิดจิคือออกไปถนันบบดของวัดไรวาเดือนนี้มัน ก, กระเกิงโคตาเลยละปิ่นเจ๊เพียงว่าส่วน้านบนไบด้บวสะดวกก็จังประเฮ็ดไปถําต่อไปอีกทั้งหนาทั้งในบนไบด้บวมีบ่ชสะดวกก็จังพัดประเฮ็ดต่อไปอีกอื มันกุฏิวิหารนี่ค่ะเมื่อกี้เมื่กี้ขตาเละตีวาสนาของเฮ้าเนี่ยค่ะมันถึงยีชิบหลังไปแล้วเงืนมีมามาทั้ไน้ก็เห็ดขึ้นไปท่านสุดก่เป็นแล้วสวามแช่มันอื่นเห็ดอันอื่นไปหุ่นบุคคลที่นีเห็ดดอก เรามันเพ่มากนี่กัน้างนั่ก็บอมแซมล้างนี้ก็บซอมแซมมากมงดูนี่ลังข้าก็มีด่สังกะสีึ้นเขียวเองไรลังเมือนเดี๋ยวล้างสาราไม่ออกคืนเขียวลองแล้วห้องพุาตานก็คืนแล้วล้พงทันผ่านดนี่ก็คืนแล้วล้างสาราไม่ออกกัคืนแล้ว ไ้ลางอันห่มห وم ยูนี่หัวว่าขืนยื้อสมือทั้งกับสีก็อันขีสนิมหามายักมากรดนี้นำนักลัางห่มยูนี่ล้างห่ยมยูนี่ล้างนี่หัวว่าบริวัติยื้อสมือกูตีล้งนี่กรได้คันไอหลัางในนี่อีกคันล้างไ น, น, นลังกิดลังางไก่นี่อีกคันปฏิวัติยื้อสมือ ม innovation offering, innovation offering, career, ันมีอะไรหลังเที่ยงกุฏินี่หลังกายก็เดี๋ยวปฏิบัติหลังนอกก็เดี๋ยวปฏิบัติมันมีงานลอยแต่พวกพระอาหน้าค้างนี่ไปเทวโลกไปพุทธโลกนัเนี่ยนี่จะพาะวนาอยู่นาเดียวท่านอาจารย์ลิยาวัดกบรมีอุปชัยยาวัดกบรมีเมตยาวัดกบรมีเจยว่าย่างขี่เพื่อขี่จังไหนบวกลบกาวซะ ยามกินนี่จะกินเร่องไรเพื่อกับ่วากาวซะยืเดเลยข่วมอิมค่วมปีติค่วมอิมในธรรมะของเจ้าขอ ง, ของสวยท้านเป็นอาหารกระขักพ่วงเพราะเป็นกายทิพย์กายทิพย์มันละเอียดลูกลอลื่นพนมัดพรมโลกสัน อันยุ่กับยื่นอีกังกลัวที่ออกจากอวิหาไปอัตปากลัวที่ออกจากอ า, า, ปอาต ป, า, า, ออ า, า, ปาไปสุทธศากลัวที่ออกจากสุทธศาไปสุทธศีเมื่อเจ้าจะกลับจ้ากันแล้วคือเบิ้งพระองค์เจ้าห้องพักเพิ่นขึ้นไปแผบไปสุทธวัดถัดมาอยู่นีเจ ร, นรนินบรรได โอ้ยตะขังพระเจ้ากัจะปะผุนละก่า ม, มาร่วมเลยแล้วเริ่มมาโยนีเขาน่อยแล้วท่มมา น, ข, น, นขันพรถามพระโพธิเจ้าบ่กของจกักบของจกักอยู่พรถามมันมีคนถามบางองค์จะพระเจ้าวิปัสสีผุน พอว น, นหน้าพี่จะหน้าของไฟห้องม่านกรรมฐานของไฟห้องม่านให้มันเป็นเครื่องอยู่ของกิจขมไก่พ่อ ใ, ให้แต่อาหารจะปากกินอาหารยังสือว่าเป็นเครื่องอยู่กับบอแมนมสูบยาเสื่องมากเป็นเครื่องอยู่กับบแมนยืนเดินนั่งนอนเป็นเครื่องอยู่กับบแมนอาหารคิดอาหารไก่ ก็เกี่ยวกับธรรมะของเห่าที่พี่จะน่าหันเองอิมเป็นแหละวัตที่อิมเป็นกับพระอรหันต์ทุกนแหละเพราะมันยังบกพร่องเลยนี่มันบกพรองตัวมันจะต้องการถ้ามันบ ก, บกพร่องมันจะต้องการให้ยัง นี่มาท่านเบือ่อควบนึกควบคิดได้ถ้ามันบเบือ่อขายไมันนึกไปท่านดีซะมันก็เรียกว่ามัดเรียกว่าผลของควมดีจิตใจหนึ่งก็ได้เครื่องประกอบของพ่อวัดมันกับอพายนอกแต่หางนอกเขาไปเป็นภายไล่เหมือนกันละนอกไปเป็นสเสบียงเพื่อผนทุกข์ในวัฏจักรทั้งสามวัน กัญชิตถ้าวังผลถูกเลยของภายนอกมันกระของภายนอกไม้ขั้วมันมันบ่มีข้าบะมุงเ็ดป่นทําปีนวินัยเดี๋ยวว่าของภายนอกไผ่ก็บวิญญาณเปล่งคือกระมันมาเกยมาผาดข้าวผัดข้าปั ด, ด ม, าามันกระทับข้าบเหเ็ดดังนี่มันกระทับคือกระไรเห็ดจนเลื่อยขืนเลื่อยเดืมันกระทับคือกัน สำหร้เห้ามันกับว่าท่านเลยเขตดเลยดพุทธบริษัทช้อมูเห้าปมาสมศกกรบเาหาเน่มูเหานี่มันก็บว่าทานไลพ่พันทมถิมเอกท่าไ่พระองค์เจ้าว่ทานไลหลวงปู่มหาว่ทานไล่หลวงปู่เทพเนาตามท้าณาของมูเห่ า, ห น, าน่ะสัญญาโยมที่เขามาหามายังกระไก็เป็น พุทธบริษัทพุทธเจ้าเมืนะ่เขาก็โอนไปคุณละ่ะแต่ว่าขังมาหาเฮาเป็นช่วนน่อยตามฐานะเขาหม่เฮาเลรอเขาไมีกินบขไม่ใส่มันก็คัดของู้สั่งละ่ะสิอว่าจัางไงงานบางสนิดขันเท้าปัดมันทับขันเท้าเฮดมันกระทบบางสนิด เฮ็ดมันทับคือยังไงเขาไปสางบดสางซิมเน่ยเรียกว่าเข้าเฮ็ดมันทับ เ, เ, เนี่ยการเข้าปัดบะทับนียพราเขาเบิ้งกาลังของ เ, อาเขงเานี่ท่าของเขาวันพูดไปทานาไปสางบดสางซิมท่าะยกอาจารย์ยาวเพื่นนอกคนเฮ็ดไปแล้วมันก็เล่าของคนไปแล้ว ฐานะของเพื่นในจัน์สีเพื่อนก็ะเสียกําลังของเพื่อนจชกนกันเพื่อนจังเหต์วาัน่เพื่นเซียกําลังของเพื่นเพื่อนก็ะเาเห็ดคือกันเพื่อนกระเเห็ดมาเดือดหอนมูฮาเลยําเลท่องเพื่อนอีหลีที่ว่างเลยข้านพายเลากเพื่อนคิตใจภายน้ังจากแล้วเขากรบเาะหัจักเพื่อนละ มันหนึ่งขึ้นนึ่งไม่ยี่สิบี่โมงก็ไว้ภไพไว้มั่นแวงออกมาล่ะพวกนี้ในภา ก, กันตั้งใจให้มันดีคู่กับาไอาการบอกไอจะภา ก, กันไปนี่คิวรล้วตาไอาถือว่าเป็นคุ้มทรัพย์ของเฮาไอาถือเพื่นเมตตาเฮาขนาดว่ามามันบะเทียงในศาสนา นี่สิพ่อแม่มาติเพื่อนพระเมตตาตนเพื่อนประเทศเอารูกตนเพิน่นถี่นหมาตามขยันขี้มากการกล้วยไปไหวไทยได้ปเนี่ยขันห้าเทศแล้วพันว่าเอาควา่วงลูกโตสิพว่าเอาขวงพันกับมั่งมาสันพวเขยพี่จะาหน้าเด้ข่วนเท่าจะพร้อมได้ทัางลูกอม อ, อมอ่ลดไปเดียวเด้เดียไปแถวนั่นเด้ ลูกโตมันดื่มมันบ้ฟังควบผนิบ้วไข่มีผัวไอ้มีตะพลังเ ง, งี้งโหลดเพลนวเทศอ เ, อนนเอาลูกโตพลน้าเอียงแล้วมันไปไหนสุค่อนแล้วหัวจ้างเดียงสาสุก่อนเล้วอยู่น้าพอนําแม่ใครก็นอนตื่นสวยคือกันเขามีผูวอาศัยเ ม, มื่อบวชิลเสมาหนีเวียกหนีงานจากพอจากแม่มาจยากกินก็กินจยากนอนก็นอน ยกตื่นก็ตื่นไพว่าไ์ห้อันใดก็บรไดมั่นกับว่าไม่แนวอันนี้ก็ได้เสียเกียรติเสียหยดพ่อเมียเสียเกียรติเสียหยดคู่บ้าอาจารย์เสียเกียรติเสียหยดเจ้าของเสียเวลาเจ้าของอีกด้วยเ้าคิดว่าบวชแหละยุคแหละรู้แหละกินแหละสบายเฉยๆมาลบเขาเฉยๆถ้าออกไปแลำมั่วลำกล้วยให้เขาซะยังดี งานส่วนร่วมเขาก็จะให้เพื่อนไอ้ตี้ได้เตือนเฮ็ดตามท่านาะกำลังของเขาเรากกำลัลงหน่อยงานส่วนเจ้าของส่วนตัวเจ้าของเขาก็เดินจกงผมเพราะว่าหน้าคำมากก็นอนโหลดนอนโหลดนอนโหลดเนี่ยมูเส้าแล้วไปบินธบาติกระบะท่านมูพามือกว่าได้ช่วยหนาม้านกระใสว่าไรแนวน่ะสิ่งเขาค้าหเข้าใจด้วกัน นา่าหุนเป็นเน่นตื้นเสมาประกอบออกที่เป็นทรายผ่เขาให้ได้ฟั่งความหูคู่บาอาการมากก็ไม่ทิ้นไม่ทร่ที่กอบมากนี่เท่านี้คนเพิ่นบอกคนว่าละสั่งเพิ่นเทียงสั่งเฮียเท่เพิ่นเคสเพิ่นหลาที่องค์ใดกันไหนเพิ่นกระอาเพิ่นก็บม่อยากบอกแล้ว นอนตื้นสวยเพิ่งกัไปปลุกได้สามเทื้อสี่เทียทานหนึ่เนงเหรีแบบเก้กาอี้ผักกาดถิ่นท่านนอนอย่ไกล่องคไหนตื้นสวยมันต้องมีขอวัดควรไปเอาบาดคู่บาอาจารย์ไปส่นตัวเสาตื้นเด็กลูกเสาะวายพระเจ้าพระมาน่าส่ตัวเสาเอาบาดเอาพวกเพื่อนไปเฮ็ดให้เพื่อนเบาใจาตัวเขาออยู่ไก่องไหน มันจะแมนแต่ท่านติ่ผ้าบาทจะคของไปบินทบาทก็ยังสีว่าท่านมูหนูห่วยมันก็ใส่อะไรแล้วให้ายโลกธานอันนี้มม่มีปฏิปทาของผู้ใดสิเป็นที่ส่นหรอกถ้านี่บินทบาททา่านบานรมสมอถ้ามีผู้ถามว่านี่นั่นเนี่ไปใส่ก็่น เสกว่าอาจารย์ตอบเขาอย่างไรฮัน่นชีวาป่วยกับตัวเสดตัวหั่นชีวาอดอาหารกับตัวเขาคือกันตื่นบนท่านมูใส่ให้เพื่อตอบตรงสันบ์หอันนี้มูนีก็บพวกขึ้นนี่นี่นั่นตื้นบท่านมูเพิ่นปลุกไหลเทือแล้วเพิ่นเลยขี้ข้ามเพิ่นเลยว่าปุกข้าหนี้จะให้บอกตรงสันห่ห หากท่านบอก่าท่านเก็บวาวิาเียบ้อยนี่ท่านยัง่ทนหนว่าวอ่นี่พราเจ้าพสงฆนปกทอะไรพระกิขันธ์นัข้นพลเรือปุกที่วางสายหมว่างสมวกกระทบเนีนผู้ย้อนทิศนักปูมหาค่อยเก่าทำแล้วเข่ามาค่อยเล่นเส่พลมา ก็มีพู้หาผู้ชี้ดวงพจะเคลืออล่อนพลมาทัู้มหาสองสามคนละ่ละก็ตรวจโทษแต่ห้าลังปีกระบะมีบอกบรเทาเ่อไหรบวชเท่ า, านั้นละ่ะบอกปิ ต, ตยิยะมบวชทั้งหอท้านั้นล่ะบอกบูมอ่งนะบัดได้ได้พูทอินผู้ดเดียวในสนักไงยังเดี๋ยวพุทธินพี่ตับไม่บีมอนี่ยทน ất, น, น่ะดอนวัดดอนวัดน่ะ พิทยมงบลุ่เคยลกกรเน่อนแรกนี่ก็นี่นึกทีใส่เื้อเนีนสมนึกหรือทใส่เือเนีนสมนอนเดียวนี่ใส่ชื่อม่บเนนุนึงมีบงไฟสองบงนี่ คืนกับคืนพวกคืนกั บ, กบจักสันโงพยาบาลคอแหละเออมอนนี่ได้หลายปีเติบแล้วทั้งสามปีอะ ม, มันมันได้แล้วมันลวงไปอันนีเออนี่ยเกิดปีหนึ่งกับว่ามันได้ สีนุ่มปันได้กับเมื่อไหร่อายุสีเทาปันไดก็บเมื่อไหรอายุของมันล่วงไปมันจะได้สมบัติยังให้บุญได้ก็มันบนได้บุญหมดละมันจะสมมติว่าได้ได้บุญได้บาปหมดละบนสมมติทีว่าได้ส่วนอายุบนได้หอกมันล่วงไปผู้หน่อยมันก็ล่วงไปผู้เท่ามันก็ล่วงไปคือกันสมมติว่าถนัดปีเท่านี้ปีก็สมมติกันซื้อเทีมันล่วงไปมันล่วงไปานัดมันได้บาปหรือได้บุญละไหวในจิตในใจถนัดนี่ปัญหาถนัด สู้เหมืมันลวงไปละอยู่ับน้องผือน้องปูมหาวปแหงมข้นมีเถ็ดมีพติอันท่านบัวเนี่ยไม่สั่นมันชิ้ไปละละมอสันแามปตาดแห้คู่บาอาจารย์เนี่ยไปปัดอ้อมกุติอยู่ว่สั่น มันบอกมีตับไม่บีน้ำเขาว่าใส่แตาที่เฝ้าปาดเฝ้ายังเฝ้าอาาอกมาหาหมูหายังว่าใส่มันวัดโล่งถงเย่ยมันวัดติด ก, กอกจังห่าเลยทาไมย่างยามตักน้มนยางด่างบาดกลาหมู่มือว่าใ่ทาทัเขาแล้วนากนเขาโซแนลโซเนลโซเนลโซแนลโซเนล ว, ว, ว, ว่าใั่ลปูมันกระเทยบ่อยๆอยู่ ใบย่างจับปัดตาวราเสร็จจับขั้นตากรอนเขากระบวมีจะเทอะเสร็จมีตะแเลนองเขาทางนั้นเสน้ปัสสาวะจับห้อยกรอนเขากรบโบมีเสร็จใบย่ามทูน่าเสร็กับยุของเก่าแล้วมูเข้านไปห้อยทีไรแล้กรเฮ็ดของเก่าเห็นได้บ้างเหรอที่ยกปูมาหาเขาบล่อิต้ยกละติกตาไรกระจัดทีไรยังนะเสร็จคนมา เก็บเทเรวร ป, ปูมหาบอกร ป, ปูมาเนี่ยกันน่อนฮะเรืงมือเพิ่นลงไปสาลากร ป, ปูมหาข้าวอยู่บ้านเขาใายไปสังเกตซึ่งที่ไปบินทบาทได้ลงไปสาลา่ส่วนบัตทุกลงไปบนอื่นเพื่นกับว่าเอาเรื่องหรอก ไปทางอื่นเพราะมันไปทางไ ก, ก่เพราะกันถ้กไปทางไก่สายสีลงไปก่อนสายสิจะไปแตงนี่ยังกรอนหมูมี่จักเทวาด้วยสายตาเพื่อนอ่านออกบดัดแล้วปู ม, มันคือกันเมื่อรับตาไวพเพราะฉะนับก็บท่าน ไปว่าดีพลานอยักดีไปทั้งดีว่ามันไม่เอาให้เพื่นได้คมเหงให้เพื่อนได้กีดได้กลั่นไวย้ทั้งตัวมหมทั้งดีจให้เพิ่นได้กีดได้กลั่ไ ด, ได้เพื่อนได้บอกเจะคล้องว่าอยากได้ให้ผู้อื่นกินต่างมันกับว่าเป็น ผู้อื่นเดินดุกรมพรมาวนาตางกับพเป็นห้ผู้อื่นสลัดตังกับพเป็นเจ้าของมันต้องนี่สัท่าอยา่างไรบ่ามาันหานไปมาบวชรีพ่อรีแม่ขี้ขาดเฮ็ดหน้าขี้ขาดอ ย, ย่องควายมันขี้าดแล้วแต่บวชท้า่าสั่งท้มาสัตย์ไปว่นนี้นก็ขวงบห้หัน่ะ คนในารวัดคนหลอกบักขีข้านที่ทุดเขาเกามาให้เห่าบักขีดื้อที่ทุดเขาเกาไม่ให้เห่าเขาเอาไม่ให้เห่ามิเตียนวดีๆได้สั่เพ่นว่าพนในการวัดคนหลอกนี่เตยนลเกมเขาไมให้เห่าขบวัดประสรเพ่นว่าอกว้าวอเวลเล่นเพื่นหลายเด้อ นี่จะ่อ้เจ๊งเกนเท่านั้นแหล ะ, ละเขาเออกมาว่าเหลือบาเหลือแร่งเขาแล้วเขาจังหายว่าสั่งเขาหายคล้องดีๆก็ไข้แน่ว่าสังส่งเยอะใส่เยอะใส่เขาเลยเขาบอกว่าอะไรล่ะเอกมาเอาขันมาขันบ่ดีขันมาตีห้าได้หอว่าสัง่งโตเอาไว้โบฟังเราไม่าหายเพลิพ น, นว่าสั่งผูอ้อารญาวันเพลินบอกบอกเจ็บบอกปวดร รหาลอยเน่นหน่อยู้เดียวเออเล่ากันยังกลุ่มจมน้ำนอน้าอุ่นน่าังพระพุทธการเป็นจะเพียงว่าเราจมวบเดนนอดนใ่โจมเท่านั้นเลยเรยกไปตายไเป็นกาลนาแล้วควาคมเห็ดเราเห็ดอยู่เราของจมเจักหน่อยเพราะว่ะาบุญแดงในอนอดบ่ญแดงนอ น, นะค ร, รับทอะไเลยไปตายเป็นกาลนาเ เราเอาพิอาเซียนเข้าไปคาหเฮียนคาห์เยนก็เจ้าจำพวกเดียวขนาดตัดจำเจ้เลียงเนมันเสียก็ตายดีเหลือเรานี่ยมันก็ไปทำท่าก็เป็นเนาะตัดใจตัดเลียงในว่าภาคเข้ามาหน้าตอมนีอีกหน้าภาคศิลปเนี่ยงจากคาซักลักซักเอานี่ทีแม่กาเมกามอันนี้ก็เรียกว่า นี่มทาตัดต่ำตัดเรื่องเขามาจองเล่นเขาใครไปอีกศิลป์ศิลาไม่เรื่องมาเงนั้นจากสารชาชันรักเขาเราผู้พิพากษามักจะชิ้นหาไปชตัวหนึ่งกับ่ารักษาสมาธิตันึ่งกับ่าเ้า้หน้าพุทโชเพราะว่าบบุเทเพราะว่าตัวที่ไปตัดต่ำกัดเร่เขาหัว มันจะเก็ดน้มันแนชามันก็นมมนนนได้ไปล่ อ, อเทียนเขม่าคาเหียเห่ยหิเกินหัวหันแทมิตาตั้เรียกว่าตัดกรรมตัดเวนในทางพุทธศาสนาบ่าอย่ีย้มีใครกับผู้ใดที่จะน่าอัุวะเพื่อจะตัดกันกรรมตัดเวนตอนมันเบาลงในตอนราภะ ฮักสวยฮักงามในสกุลน่ารังกายที่เจ้าหน้าอันนี้จังกับไ ม, ม้ขั้วมาติดตั๊กต่ำตัเวนที่มันเข้าใจว่ามันเป็นของหมันของเทียงนั่นพีจ้าหน้าทุกเพื่ออารมณ์เพื่อติดตั๊ตัดก่ำตัเวนอันมันหลงว่ามันเป็นชุบในวัฏสงสารอันนี้พีจ้าหน้าอนัตตาเพื่อติดตั๊กตัดเวน มันยึดมันถือว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นซักเป็นมุคคนเอาจริงจริงจังๆเกิ น, น, กนแก้วว่าไข่ า, า, าออกที่ซักกรรมะเวนไปยังสัง่ท้ามพุทธศาสนาที่ไปจมมาามามาอะเราเอาข่ามากินเลตักกรรมะเวนนสมัมีแมนนี่คาเทนนบาตค่าเทนีบาทเพราะว่าเชื่องของมาตีบุ้งรูปเชื่องของตีบุ้มบุมบุ้มบุมบุมบุมก็เข้ามาเชี่องของมันก็ของนู่นั่าน่ะ ทางบอกสองไอเว้นในผ้ายยวของข้าสีมาสางบะ ร, รมี่นี้สงสารมื่อสีมาสางบ ร, รมี่เอาอมขีขานบ่ันสีมาสางบะ ร, รมี่เพิ่มข้อมขีขานเพิ่มทิธีมานะเออไผตองอยิ่งช่างก็ไม่ได้ันมูเฮามูสาเออจบเดือิพตนทิอโต ขอน้อยผสมบวกลวนอันไดให้บอกขอน้อยนี่สันตัวมันจะหิตจะเลื่อนักจะสร้างบอกกระตามขอน้อยสีอดเอาดอกทั้สันตัวมันพระกระไดเน่ยกระไดมันก็บจังซีเมนสันต้องกันแด่พันเงาเงาขึ้นปันงูหางงูสามันกับบอมแยนแล้วมันก็ต้องรับต้องพี่แกหน้าเนี่ยละเมียพิษกับต้องยอมว่าพิษถือกับต้องรับว่าผึกถือจั้งสันมันก็จะมาเป็นเอา พระพุทธเจ่าสอนไว้แล้วศาสนาห้องสิเจริญย่อนควมัตเตือนกันพนว่า่มันสยุไผยยุวันหายซงซี่ดีซังผ้ามพนว่าแตอสืบยุจังสันเมยุน้ำมูให้ยังสมบูรยุตตายเพืเดียวพวองสันพระองค์เจ้ายุน้ำมูกะวังเพื่อว่าจะอาศัยสึ่งกันและกันขีหูสองหงอหูหนึ่มาสั่นผู้อื่นบอกขยอม รับฟังยิวสิกอนมันผิดมันถึงยังไงก็ได้นิยามเจ้าแพอวัฒนเออกเป็นสั้นๆมันก็บเจนที่อยู่เนี่ยนั่นมันก็บอกกันมาได้แล้วเสียเอาจากเดิมก็น้าละว่าอีสั่งเสียเปรียบเพิ่นเพราะว่ารับมาขะมันมีเหตุผลพ่อกับตองรับฟังมันกับจังแมนค้นเสวังดีไผ่ขึ้นกันมุดโตขึ้นกันพ้นคือกันหากินได้ทั้งคัดค้านหากินได้ทั้งว่าลงกันมันกับ่ได้แล้ว เฮียนพะแสดงเงท่านันะมันเล่นก็เล่นแสลงเงย่างนุ่ก็คือการมัดหละใครบท่านั้นก็ยอมรับฟังของการแข่นโบแมนกัจังหวับแมนนแข่นมันแมนกัยังบยอมว่าหแมนอยู่ย่างจ๊เสียเปียบเสียเรียบมันก็เป็นเว้เป็นไพ่กันนี่โมเลเจ๊เทื่ยนแล้วมันโมเปนผู้สิบมากปฏิบัติเพื่อผลทุกมากแข่งกิเลศกันที่ซื้อ คืออยู่วับ้านที่กีด่ะเนี่นพิดกันบ่อยๆอยู่บ้านพอนิงกันตักน้ำนิงกันล่างถนบักแง่มหรือพูดดขึนม า, าเหุการเหตงานผูน้ใดขี่รอยม่แอ้มเมวันห้าิตีกันเมื่อจักวัคกับปั่นเนนปนไดลูกได้บุกข้อมเป็นลลายม่จักไม้ไใส่เงือแหง้สัจนบงแ่มมือ่อวา มันคือกเป็นตีแท้ๆป่ะาณนมันได้ความออกพืนทั้งสิกาสิแกงกันว่าสันได้ปกครอมเป็นลายล่าเฮสันออกงั่ยออกมัดเฮ้วสันห้าเฮ็ดพี่อยาว่าสันจักหย่ออ่อนเอปนได้ว่าสันห้าได้พาสบงกีว่านพื้นแดมันง่ามว่าันตาสัใสว่าสันหาเฮ็ดี่ากสิคขาดก็สิตายว่าสันสิท่องต้งซือกไดสิเดินมพ่อวนหน้ากระไดว่าสันบักเงี้มันบอก มือกแงมแบบัม <laughs> ูเด <punk> ียวกันก็โตนี่หละมือได้ชีคานตั้งหน้าเลยตีปวดหัววัดมือเท่าบุตรหนึ่งตายแล้วมูเดียวก็เหานแล้ะสีขคานตั้งหน้าเลวตีปวดหัวเลยหล่ะกัเศ้าตักงน้าไม่รูกไดดอก ถึงี้ออมเพื่อนแจมมาสวดมวอนบ้านมาละปวดตคีเลยเขาไปไอยู่ในทานผลเอาหมดกัดกันเ น, นี่ยผลนักซื้อก็บไอได้ทอเขาเด้องขี้ข้านได้เตานอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนจะเอาด่นไหนกับอะไรได้ด่านหนึ่งได้ดานหนึงไไน่งแตยังไข่อยู่คนเขา ไ, ได้จดัดไดเต็มที่อยู่ เสนีแท้จะคล้องบดีหลวงปู่มหาเลื่อนหนังสือเอาปากเผาม้วนหัวผลเข้ามาปฏิบัติหนิขในหเมือขึ้นแลวป่ยอมนอนรับอีกลูกกับกับโปรดบป่ยอมเอาอีกขบาทก็น่าวะได้วายสงสันหลวงปู่มหา บางบ er, ้านยังงจางจ่ะยิ่งยากยิ่ยกยิ่งยักม่ันคุนเพราะไพานการเล็งกัดขามขาดดิทรวมสั้นคนล่ะพรันทวมไปทั้งหลีบพมันทรวมมาทั้งตัวเฮยเพื่นว่าให้ขาน่อยมึอนี่ชังสั้นตัวขน่อยวะสันตัวเสียใจบ่เราว่าสั้นขาโมเสียใจเนี่แ้ขานอยสีว่าตายยังช่งสั้นั้น ซาถูกคนนอยนี่จะมันมันบ่ดีห้นึกจังสันแมมให้เค็ให้เค้นล่มห้นึกจังสันแมว่าสันมัเป็นคนดีจะเื่อได้ว่าสันเพิ่นหลวงปู่มหาขนอยนี่สมัคัวแท้คือว่าหน่อยแท้ว่านหน่อยไล่ไล่นั้นไปยังงห้นึกจังสันแมว่าสันมันยังสิเป็นคนดีได้ว่าสันจังันกว่าให้คนหน่อยจักสิก็ว่าให้คนหน่อยจังสันบ่ดีจักเถื่อหลอหอดมือตายหรืว่าเันว่าหลวงปู่มหานี่ยอยู่กับน้องผือกับมันเพิ่นละหายหายในของมู เป็นมือขวาของหลวงปู่หมั่นแลีนสายเรนยนขวอยองค์ไดมีทิศธีจังไหเพิ่นไปเที่ยวตบเที่ยวทอบใส่องค์ไหมีทิศีไปยังไงองค์นีดมีทิศทจังไงมันลูกปู่มหาลยเนส่วนหัสนส่วนนี่เพิ่อนอกองสั่นทันตีข้วมาย่างไรเพิ่นตีควหมายวางไหครูวาอาจารย์เทศสาธุหลดแม้ว่าสัน่นทังสั่นก็ว่าให้ขหน้อยั้งสี่ก็ว่าให้ขหน่อย ข้อมข้าวสอบออกขาว่าขับไปนึกจังสันมันสุดก็เปลี่นได้วาสันเจ้าของนำมือตลงได้วาสันสาธุสาธุข้อน้อยสมัสชัวลายแถนอให้นึกจังสันไม่้วันมันจำศีลเป็นคนดีได้วาสันวะสันจะมาหอบจมาอาทิตย์นี่หละวันเพลนวาหลวงปู่มหาหลวงปู่หมันเพลินแห่งเทิดูประยุทธ์บยนเพนพักเทียงดพักน้อยเดียวเท่านั้นแะ พอเพลนลงจากพักเทียงเราหาราบ้างหามันดีเลาะกุฏีรังนั่นรังนี่เดินกลุมพานาของเพนเดินกล่มพ่อมาหน้าแหละกัเพลนกับเลาะกุฏีลังนั้นลังนี้แหละเห็นมาเลอะเสื้อเชลเอาอะไรได้บ้านไงเจ้าเกี้ยวเกี้ยวมาเดวอะไรได้บ้านอยู่ของพระเจ้ากระปัดกระกวดได้ตี้ไว้สันขีละโตนขีระตตนฐานก็ไดไว้สันกุฏีวริหารหมดขึ้นนี่ยังข้นกระปัดได้ละเบาไว้สัน ไรปวกขันย่ามันตายก่อนน้ำหดสะ ก, ก้อนว่าสันวาสันกอเสาโปกๆๆๆๆขไม่ลงสะกอนแก้ว่าสันเขาเคาะมันถังลง่งหรอกเาเคาะห้องก็นั่งควอยย่โดนเติบว่าสันพอันอื่นมันเสเลือดมันังลงหรอกคอยแกะออกว่าสันบแกะมันก็เป็นโทษเพราะว่าตานเสียไว้ทิมาลวยคุ้ย ข, ขวางได้บ่ตาพนกับบ่ได้ยืนน้องตุมมันน้องมหัวคือกันเนี่ยของไฟของไของไฟร้เนี่ยถามร้อน เพื่อกันจะถอดปิดหน้าปิดหลังกับบ้ะไใดิปนคู่เฮี้ยงกันเลยซอยไว้ขาปิดด้าน ห, หน้าเพื่อการสอดปิดแล้วนั่นโวเอ อ, เ อ, อยุ้มัดขึ้นมาวานกับบ้านใอีกเร่งลงปูมั น, น, มนคู่นี่คือกัน ไปครั้งหน้ามันมดขึ้นมดวันว่้ได้ต้องมีแงามเกลี่ยแง้มเมียนจกเสียมคือกันขุดแล้วขี้ดินเต็มอยู่มบ้ได้ที่น้ำลงผูมันต้องเอาไปลางให้มันเสร็จใส่แง้มใส่ฮาลุดมันฝืดเรื่องมุ้นี่หละขอวัดอันมู้นี่สำคัญที่สุดช่วนน้ำเพล่นแงามเพลนที่ออกงานหนึ่ง เงมเพื่นจะพาเฮ็ดยังประหาขวนมัดมือกับดดว่าได้นะเอาละเด้วบายให้หายมัดวัดหลาเรื่นงใหจักไผ่ใสถามไผบ่ได้คว่ำผ้าดวงนั่นนี่ใส่ถามไผ่บ่ได้คว่ำเงี้ยเพื่นจะออกากาศออกงานเฝ้าๆเนี่ยอันนั่นแหละสำคัญที่สุดนั่นหายบกงไงจบเสียมเฮใส่แล้วล่างพร้อมล่างทั้งด้ามล่างทั้งหมากมัน เอาไว้เป็นบ bon, อลร้อยซ้อยบ่ได้ทิมเถื่อทิบเถ่อแดนตากมุ่งคือกันตากฝนก็ บ, บ่ได้ห่างโรดหฮมคือกันกังมากแล้วทิมเล่ยเยเลเยให้ลมพัดไปวัดหมื่นวัดเว้นบ่ได้ฝ่าเสร็จฝ่าตากฝ่าเก็บฝ่าเมียง ส, สันพูดให้ท่านปฏิบัติแบบ บ, าบา้าๆสันเพื่นว่าเขาว่าปฏิบัติมันกับปฏิบัติหมดเนี่ยเพื่นว่า มันซอยเห็นมัดคนวะแต่ปูวะนี่เหตุการณ์เหตุงานคําเบ็ดคนพ่อเอาได้คนก็ให้เบ็ดเอาอืมลูกปูมันลูกปูมาหาคือกันาะสูบยาซ่องนี่จะไปสูบย่างพึ่งพายคนเห็นอืมัมนชี้ได้บอกต้องมันชี้ลี่ๆปินที่เที่ยงก็งจะไปเหตุอาหารพชี้ได้บอกคนทวงหลน่นอ่ะไอ้บาวมาสั่น ไอ้าไสันเพนนุなな่งผ้าทุกันฉีกฟันนุ่งถึงตรงของสรงเสียงยางบุ่มบบุมบ่มที่ได้บ่ลูกปูมันนงปูมหายหล่นไอ้เบาไอ้เบาหลดนเนี่ยนุ่งผ้าต้องนุ่งเพียงเพืงแคลงหนิ่ันถือกับทำวีไนของเพลินพระวเทากับมี่ยังสั้นเลยนุ่งห่มเป็นประเริ่มบนทนคือนุ่งอย่างไรถ้านุ่งสบง ข้างบนก็หนืองรัชดข้างล่างเพียงครึ่งแขรงนว่าเส้นนีอันนี้เห่าในลากห่อยห้อยไอ้ผลมักแทมันน่าแจกอาหารผ่ามันสีเป๊ะแดงลากห่อยห้อ ย, อยไปสํำนักหลวงปู่มหาบวไดม้มีมีสํำนักเห่าสําหรับหลวงปู่จามของม่มีหลวงปู่จามหลวงปู่มหาหลวงปู่กงแก้วใส่ผ่าแบบเดียวกันวัดหลวงปู่หันมูเห่าเนี่ห้วยลากตึงคล้องคนแล้วไอ้บ้าอ่ะ ยามอก็ลากไปน้สาสลามุ่นผ้าเบียงกับใบตัดเลิกเพิ่นพอดีพองามหลวงเพ่ออาจารย์สิ้นท่อหละมัาเบียงงาเพิ่นกว่กาให้รเรื่อยอยู่เอาไปต่อให้ทัดสิ้ทออีกแดงกษัตริย์ห้องพาเราลาดขลาดเดีดวยวคือแกลงมากกุ้งนผู้ทอหล่งหัเหามลาดขลาดเดีดวยว่องแกลงห้อพาล้ว ว่ามันมีทางแข่งระเบ้อยุดเก็บตุ่คข้องคุณระเบ้อืมต้เพื่นก็ให้ให้เยอะขึ้นกันอะไรเท่ใส่ผ้ า, ายิ่งยวนี้ตัวตัดเข่าได้แล้วไอ้เบาหนี่ตัวหนึง่งห่านสี่สิบตตัวเลยตัดเขา่าตัดเขา่เขาอีกอเพื่อนนั่นซีสอกยอมแล้วซีสอบก็ซีนี่เท่าไหร่ลูลปูมหายอมแล้วยังแล้วล่ะนี่ ทั้งแง่ก็สอกหกกับตกคอนี่เท่านั้นที่ห้าหนี่คือตุดรูดพุนย่งไปอีกกูพายายอะไรมันก็เขินตักที่พุน่าพัานเขามากวะสนัผนผาสบงขึ้นกันทั้งขวงมันสอกสองสอกสองนี่ย่างหลายตกย่างละที่สุดตกนี่พุน ต๊สี่นี่คันนี้โป้เนี่ยพันยักเฮียนแน่พันธ์พันวาขันสองสอกเต็มาาคันล่าแล้วขันยอมเนี่ยล่ะเพราะเรามันเลิกโพดละ่ะลงปูมหาลงปูมันพวกใส่ผ้าเลิกมันลงปูอ่อนมืน่อไหก็ลากไปซื้อกนะันหน่อลงปูอ่อน น, ะนี่ใส่เป็นที่สั่นลงปูมหานี่ไม่เป็นลงปูมนันก็ไม่เป็น ทางเ่าวนี่ยซอกหาเนี่ตอกคอหลวงปู่มหานยปลาเบุม่พระอํานาจมาขึ้นกันหลวงปู่มันขึ้นกันว่าห่นที่เอาเ่าสาระสี่รลกดอกพันวามันตากไว้บนไหนก็หลากขี้ดินด้วยใ่ไนุ่งกับแก่ไปรดทักให้พ่อผ่าคัดบนไหนสันทัดท่นมูห่อเนี่ยห้วยย่างม่ยังเกี่ยวแค้นุ่มๆลมันใหญ่ตัวก็ยังเกี่ยวแค้นรุ่มๆอยู่เสมอ พันนีบลวงบวกัก๊โหลดยางไปบินธบารคือกันโฮมพาอยู่กลางสาราตีดลบววบิ่มนึงสไม่ได้เลยเทศโหลดยางเอาเมือคัดหลังบินธบารสิเทศโหลดเนี่ยมีฟูหบาบานเลยพันยางเอาเมือคัดหลังดอกไป พระที่ประท่าหลวงปู่มหาบ่มมี่พระที่ประท่าหลวงปู่หมันก็ บ, บ่อมี่เน่ยเอามือคัดลังไปบินถ้าวัดเอามือคันหลังแล้ววัดนะ ว, ว่าเขาบ่เห็นจะเคลียหลวงปูม่มหากับหลวงปู่หมันนั่งยอนเท่านั่งยอนเท่าสะเปกระดิ๊เท่าของสี่กับบอมมี่นี่นั่งย้อนเท่าอนั่งหอยคานะ่น อันเี่้าวเนี่แก้งไปแจงมาแจ้ไปแล้วมาห้าวล้วเห็นผัวไดบแกงมือเนี่ยเอาข้อตีขาใจักบาทเนี่ยนะวะพ า, ากลัมาานนัง่งสมาเหตุสงสันะนัง่งบเตียงขาเพิ่แกงไปอยู่นี่ทั้งกุยทั้งยันแกงอยู่นี่เอา้อเอาเอาไม้ไปตีขาใจักบาเนี่ยมันขาไปวะเขาวางสช่นึอาจารย์เพีย้ยนกะหาวอีวันเคยใา้โอ้โอโอ เพ e <Aa, S 1> ื่อจในจอมหาประจบนปิดพี่บ่อเวาสันนักกรรมฐานนักปฏิวัติเฮาสมาเฮาสันสันเผื่อว่าอ้าวสันเอากล้าเสดตัวกูมหาตัวก็ถือไรเทียอยู่เพื่อนให้ตัวไปเฮ็ดบ่มไปสันนีบ้านหัวไส้ตัวเอาบ่มออกมาเฮ็ด บ่มชีด้วยบ่มสุกหนังยั่งด้วยเนี่เผัแล้วตัวอาไปี่ไก่เติมยล็ดเพิ่นกัไปเห็นที่ก้นกับยากับยีลายยีลายยี้ไก่หันทงน้าลายก็บปลาดัดรอดกับชีวหัวดอกปาเนี้ยไปอาหารกระโถนมาให้ชักใบเนี่สันเอาเสียกผูกก็จะสีชีแขนกอให้นี่ว่าสันมันม้วยักมัดถิ่มว่าเป็นว่ามุกคนของยาู้ว่าสันไปแถวอยู่คนว่าสันเป็นว่า น, นังยมมาได้กลองยาเป็นแทวาสันเอากระทดแขนข้อให้อาสันเิว่าคนมัมีวัดอาสันคนมันมีขวบทะเกิด น, <c ười> นั่นขัดข้อแม่เอานี้มันจีบแค้วันจีบแค้วนี่ย่างมาได้จีบย่างมาได้จีบยืนก็่าได้ นี่นงลงปูหมันลงปูมหาคันติกีมก็นั่งกี่มให้มันดีไหมเรกวาจะจะไปไอ้สันที่จะคาบคาบไม่เก่กิมแขวนยางน้าวัดก็บอะไรคันติกิ่มก็ใช้แกว่ากีมใช่ไหมไอ้สันให้มันกระบักกระวนให้มันเลีวใช่เยกะจะถึ่งยางทึงกิมะจะคาบยางน้ำวัดนําว่าเนยเพื่อว่ามัดเมียของผลมัดจะได้ก็ได้ มันเป็นสร้างแต่ปอกไาอยู่แต่โตแล้วสารพัดที่เป็นปลาเด้ได้เพลินเออขึ้นเมื่อคู่มาอาการเทศมันแม่นท้องเพลินเด้ลูกขึ้กันนี่นละ่ะย่างเดียวน้ำพอย่างแมน่นย่างมายากล่งพอแม่ปอะไรดอกอย่างจากถู่อยู่ ยาำออกเคื่องนอนคอนเฮียนกินในเลี่ยงลูกม่าฝุ่นท่นจังคุดเชินคุ้นพ่อคุณแมา่าเพนจำมจีซี่เงียนมันแม่นเมื่อศพระก็คือกันนี่ก็คือกันย่ำยุ้ยน้ำพนว่าใครอยากล่องพนในเพียงโทษไปเป็นหัวหนาหัวบ้าหมู่บางลูกผู้นึงเข่าม้าเอาทิศทีเป็นจียงนึงผู้นึงเข่าม้าเอาทิศทีเป็นจียงนึ่งกลัวสีตบสิทอดใช้ทําท้เวไน่โอ้ยมันจะค่อยคุดเชิญคุ้นพนพนห้องจอบจอบเกลี่กลใส่เส้าใส่แรงมันคําพ่อแม่ ย่ำเพาะว่าท่านใหน้ลูกไดาเต่าเดี เ, ดเมียที่พทนออกเง้ยออกท่านว่าจะพอแม่ลำไรแต่ถ้าลูกโตเกิดมามันบอกว่าใดใส่บพรฟังผนจังคือเห็นคนุณพ่อคุณแม่ผู้รับคนมันคือเห็นสัตนั่งว่าตัวถือก็หัวมือตายจังคือเห็นคุณครูอาจารย์รายคนบอกว่าเดยมันแ ม, มียนเมื่อต่โลด ว่าไข่พิษว่มีพิษช่หรือของคนบ่มันสิบอ่อดูซื่อๆนพี่จะน้าแต่คนนจะเมาะวะยังสิออด้วปรามัดชุมสูงลายมันผลมาโวอันน้่นมูนี่ผลอ่อด้ว่มัผลในผ่านลายอันมูนี่ผลเลื่อจสันยังไงแล้ว เลื่องออกมองึงเสกก็บ่ได้พระผู้ดอ้อยนี่น้ำรลวงปูมันพนระในจย์มหาตาสักมากอยากจะเพิ่มาตัวบออ่ออิ่มมาิองเสียงบ่นน้ำลายเสกกระทนบุบบุบุบบุบ บ, บุบร่างมือก็ได้ห้ายลวงปูมันหลวงปูมหาก็หา้าบ่มีสติเสตังเพิ่วา อ, อ